ก็มั ม, มีวันนี้เริ่มกรรมฐานเข้ม40วันนะครับ ก, กับคนที่จะมาเข้าค่ายเก็บอารมณ์40วันก็ลงทะเบียนที่สำนักงานทั้งพระทั้งแม่ชีหรือว่ายายมที่สำนักงานเน้ง แ, แต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนมีกิจกรรมพิเศษคืองานเทียนทำน้ำเลือกก็ร้อยปีหลวงพ่อเทียนจิตสุโพ ซึ่งจะจัดวันนี้วันเดียวนะครับเริ่มมาแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็เดี๋ยวผมขอประเมินดูสถานการณ์อากาศก่อนลวกันถ้าอากาศฝนไม่ตกนะก็จะใช้บริเวณลานหินโค้งสิราจิตตสุโพเป็นที่จัดงานนะครับก็จะเริ่มกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่9้าโมงเช้าหลังจากนั้นก็จะมีหลวงพ่อเขียน ตอบรับถึงหลวงพ่อเทียนแล้วก็มีพ่อจามพิสารเจ้าวาดมากล่าวเปิดงานมากล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานอาังจากนั้นเวลาประมาณ10า rinse, ิบนาฬกาก็มีวงเสวนาหัวข้อเรื่องหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้าประทับใจก็จะมีหลวงพ่อคุบอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่ที่ได้ใกล้เคียกับหลวงพ่อเทียนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้ที่ต่อบรับที่จะมาร่วม มาดวมงเสวนาประมาณสิบเอ็ดท่านนะครับสิบเอ็ดท่านตางพระแล้วก็ยาดโยมก็ก็พักเพนแล้วก็มีวงเสวนาต่อตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นอีกอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนที่อยู่ในวัดนะถ้าไม่มีกิจตัวะอะไรก็อยากให้มาร่วมกัน <c oughs> ก็เป็นการจัดครั้งแรก ทวัตาสุขระตูนะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับวงเสมนาเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียนหรือเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้จัดแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมงานจากหลายๆท่านโอกาสดีที่แต่ละคนได้เดินทางไกลมาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการได้เคยปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนซึ่งก็ <S <S บา ง, บางต้นก็คือการเป็นคำแปลรบของหลวงพ่อขงเขียนนะั่นแหละตอนที่มีคนมาสัมภาษณ์หลวงพ่อขงเขียนเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียนว่า ทำไมเออให้หลวงพ่ อ, ขอเขียนพูดถึงหลวงพ่อเทียนเรื่องประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติ บ, บ้างเป็นอย่างไรเนหะ็นไหมหรือว่าบุคลิกหลวงพ่อเทียนเป็นแบบไหนบ้างนะหลวงพ่อาเขียนก็บอกว่าบางทีให้หลวงพ่ อ, ขอเขียนพูดคนเดียวบางทีก็คิดไม่เคยออกแต่ถ้าชวนคนหลายคนที่มีประสบการณ์กับหลวงพ่อเทียนมาพูดคุยกันเออก็อาจจะช่วยเสริมกันคิดออกมากมากขึ้นนะก็เลยเป็นการเริ่มเริ่มประเด็นเกี่ยวกับที่จะชวน คนนั้นคนนี้มาพูดคุยถึงหลวงพ่อเทียนแล้วก็เป็นโอกาสดีซึ่งก็เลยกําหนดว่าทุกปีเป็นประจําเราจะกําหนดกรรมาฐานเข้มสี่สิวันเริ่มวันที่ยี่สพฤษภาคมเป็นต้นไปอยู่แล้วก็เลยถือว่าเป็นวันเปิดงานนะคนก็ทยอยเข้ามาส่วนหนึ่งที่อยู่แล้วก็กำลังแล้วก็ทยอยเข้ามาก็มาร่วมมาฟังตรงนี้ด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมงานกันนะครับถ้าใครไม่ติด ภารกิจอะไรก็เดี๋ยวจะดูว่าถ้าลานหินโคง้งฝนไม่ตกก็ใช้รานหิโคง้งถ้าถ้าฝนทํำท่าจะตกก็คงใช้ที่สราหอใจ ต, ตรงนี้นะนะครับก็ประชาสัมพันธ์เดี๋ยวตอนคิดว่าตอนันเช้านะก็คงจะรู้แน่ชัดว่าจะใช้สถานที่ตรงไห น, นเดี๋ยวแต่จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคนที่เก็บอารมณ์เข้มก็จะมีอ่ามันมีใบกําหนดการมีระเบียบการจะแจกให้ คนรับแผงเยอก็เดี๋ยวตองลงทะเบียนก็ไปรับได้ที่ที่สํานักงานแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแล้วกันนะครับก็คงประชาสัมพันธ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนเช้าสรุป ช, ชัดเจนอีกทีหนึงก็เดี๋ยวจะประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับนะทุกคนเติีมตัวกระดาษ